บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปการเกิดของกิเลสตามที่ทรงแสดงไว้ในกลุ่มของอายตนะปะพะคือหมวดที่ว่าด้วยอายตนะ แต่แก่ยการที่ตาเห็นรูปผูฟังเสียงจ ม, กมูกดมกลิ่นลิ้นดมรสกายตะต้องเย็นร้อนอันแข็งและใจเหนียวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายทรงสอนให้สังเกตว่าในขณะนั้นๆมีสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริง แต่การพูดถึงเรื่องกิเลสนั้นจะพูดในแนวหยาบแนวกลางหรือ แ, แนวละเอียดก็ตามแต่แม้แต่พูดถึงอาการของกิเลสที่ปรากฏแก่บุคคลเช่นคนที่มีความเห็นผิดคนที่กระทำอ น, นันตริกรรมคนที่ประพฤติผิดในศีลหรือคนที่มีจิตใจลำเอียงด้วยอำนาจมากติตลอดถึงคนที่โกรธง่าย ควรที่เห็นแก่ตัวเป็นต้นเป็นคําสอนจําแนกแยกแยะออกไปให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้ฝังแต่เมื่อสรุปรวมแล้ววั น, นั้นก็คือกิเลสเพียงแต่ว่าเป็นอาการของกิเลสเป็นผลของกิเลสซึ่งบุคคลจะต้องมองให้เห็นโทษที่ควรแก่การป้องกันควรแก่การบําบัด ในกรณีที่ยังไม่เกิดก็สงสอนในป้องกันในกรณีที่เกิดแล้วก็สงสอนในบําบัดก็เป็นตํานองเดียวกับพวกเชื้อโรคพวกอันตรายพวกภัยพวกโรคไร้โรคระบาด ท, ทั้งหลายเราก็ทํามีสองอย่างนั่นเองคือถ้าไม่เกิดก็ป้องกันไม่ให้เกิดถ้าเกิดแล้วก็ต้องพยายามบําบัดให้ได้ ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอันตรายก็จะเกิดขึ้นเรื่องกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแตวการพูดถึงกิเลสประเภทสังโยชน์เป็นการพูดถึงกิเลสที่ละเอียดคือหมายความว่าต้องมีสิ่งกระตุ้นมาจากข้างนอกฝั่งหรือนียวนึกขึ้นมาจากภายในบ้างกิเลสล่านั้นจึงจะเกิดขึ้นแต่บางครั้งบางาราวก็อาจจะถูกกระตุ้นรุนแรง ทอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าการพูดถึงกิเลสประเภทนี้มักจะพูดเลยระดับของธรรมะกรรมฐานไปแล้วเรียกว่าท่านประพฤติปฏิบัติจนจิตใ จ, จมีมีความมั่นคงมากแล้วอารมณ์ที่มากระแทกกระทันธรรมดาก็ไม่ถึงก็เกิดกิเลสแต่ก็ไม่ได้หมายความไม่มีกิเลสเนื่องากอารมณ์เหล่านั้นไม่มีกาลังมากพอที่จะกระตุ้นกิเลสได้ แต่พอเจอรมมากมันก็กระตุ้นได้อย่างที่เคยเล่าถึงเรื่องพวกฤาษีที่มีภิญญาสามารถเถอเกินไปในอากาศได้เป็นสถานการณ์ปกติธรรมดาท่านก็ไปกันท่านได้แต่พอไปได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงซึ่งก็หมายความว่าเสียงกระทุกู์แล้ตาก็มองไปตามเสียงที่มาก็เห็นรูปก็เกิดความพอใจ การแสดงกิเลสประเภทกามราคะมันก็เกิดขึ้นภายในใจเกิดขึ้นโดยการได้ยินเสียงด้วยเกิดขึ้นโดยการเห็นรูปด้วยแล้วก็นำเรื่องเหนั้นมาปรุงก็กลายเป็นกามิโตกปริมาณของกิเลสก็ก็เพิ่มขึ้นจิตใจที่เคยสงบมันก็สงบอยู่ไม่ได้เพราะกิเลสนั้นจะเป็นเหตุไม่ให้เกิดความสงบจะมากหรือน้อยก็ตามจะทําให้เราไม่สงบ แต่แต่ออกมารุนแรงก็จะกลายเป็นความไม่สงบที่กระจายทั่วไปทั้งโลกเรื่อง ส, สงครามที่เป็นหมหายุทธสงครามรบราข้าฟันกันมากมายแต่เรามองสืบสาวถึงสาเหตุที่มาจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนอกจากโกรคปนตร์ที่มีการกระตุ้นเร่งร้าวอย่างต่อเนื่องมีการยั่วยุมีการกระทําด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งก็หมายความว่าเราอาจจะฆ่าเขาได้แต่ว่าคนที่ถูกฆ่าเขาก็โกรธก็อยากจะฆ่าฝ่ายเราด้วยเราฝ่ายเราถูกฆ่าเราก็โกรธก็อยากจะฆ่าเขาด้วยปริมาณของความโกรธ ค, ความโลภความหลงก็เพิ่มขึ้นเรืเร่อยๆเจนบางครั้งเรามองเห็นภาพที่มีคนฆ่ากันไปฆ่ากันมาจนตายเกลื่อนกราดไปหมดหรือตายหมดทั้งสนามรบ ภาพเล่านี้คืออาการความรุนแรงของกิเลส ท, ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดมังก็หน้ามึดคือไม่ได้คิดด้วยเหตุผลอะไรความโมหะก็แรงแลปิดบังเหตุผลสติปัญญาความเหมาะความควรต่างๆออกไปจากใจของบุคคลที่เราพูดเราเห็นช่างเท่าหมูนั้นส ด, ดงถึลักษณะของอาการโกรธที่ไม่ได้นุกถึงตัวเองและไม่เน้นถึงฝ่ายอันตรายที่จะเกิดขึ้น คือบางครั้งมืคราวท่านก็เล่าเป็นรูปนิทานแต่เรามักติดในรูปของนิทานไม่ได้คิดถึงอาการที่เกิดอาการให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นเจะเล่าเรองอึ้งอ่างที่มิโคไปเหยียบโ อ, อถูกลูกแกตายมันแกกลับมาก็กโกรธตามลูกก็โคมันตัวใหญ่ตัวขนาดไหนจึงสามารถเจียบกกรูปแกตายได้เหยียบกกรูปแกตายได้ ไอ้ลูกบอกมันใหญ่มากอะแม่ใหญ่ยังไงก็พองตัวให้ดูมันใหญ่ยังไงลูกก็บอกว่าโอ้เป็นใหญ่มากกว่านี้แกก็พองตัวขึ้นไปเรื่อยในสุดท้องแตกตายตัวอย่างเหล่านี้เราจะเห็นว่าความโกรธเนี่ยมันก่อให้เกิดการแข่งดีแล้วก่อให้เกิดมารณ์แล้วก็ถือตัวฉันเองก็หนึ่งเหมือนกันแล้วในสุดก็ดูมีคนอื่นก็เทียบเคียงคนอื่นไปมาก็เลยก็เพิ่มขึ้นจนลืมไปว่าตัวเองก็เป็นอื่น จะไปฟองตัวให้เท่ากับโคมันเป็นไปไม่ได้และคืธท ร, รมันก็ตายเปล่าๆลักษณะเหล่านี้เราเห็นอาการของกิเลสที่หมุนต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นไ ป, ไปในจิตใจของสัตว์นั้นๆทางการศึกษามองให้เห็นโทษของเรื่องเหล่านี้จะเป็นความจำเป็นในขั้นของการปฏิบัติทุกขั้นตอนไม่ว่า จะเป็นเรื่องของกรรมาฐานหรือไม่เรื่องกรรมาฐานเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังในชีวิตประจาวันเราก็จะพบว่ามันก็ไม่เป็นนั้นมากที่กระตุ้นให้เกิดกิดเลสโดยไม่จำเป็นที่ร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็คือบางทีเราก็วิ่งไปหาตัวกระตุ้นกิเลสเหล่านั้นแล้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นเราก็กมีเชื้ออยู่แล้ว คล้ายไฟไหม้เอาน้ำมันเข้าไปราดหรือเอาปืนเข้าไปใส่เข้าไปไฟมันก็ลุกไหม้เพิ่มขึิดเพราะแนวนี้ทรงสอนในรูปของการใช้สติสัมปชัญญะแล้วก็ใช้ความเปลี่ยนพยายามที่จะบำบัดนะเพราะว่าสังโยชน์มันเกิดแล้วคือมองเฉพาะในกรณีของสังโยชน์เกิดแต่ตรงนี้ต้องเข้าใจนะว่าพูดในกรณีของกิเลสเกิดไม่พูดกรณีของธรรมะเกิด พระธเกเรก็ส่งสอนแนวเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าจิตมีธรรมะให้ประคับประคองรักษาไว้รักษาส่วนนั้นไว้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มพูนขึ้นในโอกาสต่อไปแต่ส่วนของกิเลสจะมากหรือน้อยก็ต้องรีบพยายามลดละถ้าดับได้ก็ดีดับไม่ได้ก็ลดลงไปถ้าลดไม่ได้ก็คุมความรุนแรงของกิเลสใจเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นก็ต้องพยายามคุมให้มีอันตรายน้อยที่สุด เราดูแล้วทํานองคล้ายๆกับพูกโจนผู้ร้ายที่เข้ามาหรือพวกไฟไหม้มาเนี่ยแต่เราป้องกันได้แต่ต้นคือไม่เข้ามาได้มันก็ดีก็ปลอดภัยแต่วันที่เข้ามาแล้วอ่ะนะทํายังไงจะป้องกันในจุดนี้ได้ย้ายถึงก็เข้าไปในเรือนได้เข้าไปในเรือนแล้วก็ทํำยังไงย้ายเข้าไปในห้องที่มีทรัพย์สมบัติมากได้ จะเข้าไปแล้วทำยังไงจึงจะยอมเสียทรัพสมบัติเพื่อรักษาชีวิตไปซึ่งหมายความแก้ปัญหาที่ให้มีความเร็วร้ายน้อยลงตามลำดับเกือเท่าที่เราทำได้เป็นการปฏิบัติที่จะต้องใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาไม่ใช่ว่าบางทีก็ยอมเสียหมดทั้งทรัพย์ทั้งชีวิตคือถึงจุดหนึ่งนี่อาจจะต้องเลือกเอาแล้วระหว่างทรัพย์กับชีวิตชีวิตไว้ก่อนทรัพย์ถึงของมาใหม่ ที่เราพูดว่าทรัพย์เป็นของนอกกายก็ยอมเสียทรัพย์ไปรักษาชีวิตก็อย่างแนวที่พระเจ้าทรงสอนบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาวิญญาณก็แสดงมาถึงจุดที่ต้องเลือกแล้วระหว่างสองอย่างเราจะไม่เสียอะไรเลยเนี่ยไม่ได้แล้วมาต้องยอมเสียแล้วระหว่างทรัพย์กับอวัยวะถ้าจะต้องเสียก็ยอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะทีนี้บางทีเนี่เป็นเรื่องของอวัยวะกับชีวิต ทึงเราต้องเสียส่วนใดส่วนหนึ่งไปถ้าเสียชีวิตมันก็เสียวัยวะไปด้วยแต่ถ้าเสียเฉพาะวัยวะมันก็รักษาชีวิตไปด้วยทีนี้ต่อไปมันก็ชีวิตกับสัจธรรมหรือสัจปฏิญาณที่เราให้ไว้ที่เรามีไว้ที่เราตั้งใจไว้ตัว น, นี้สองอย่างอาจจะเห็นว่าชีวิตที่จริงมันก็ยังไงกันก็ตแตกดับมีตายวันนี้วันต่อไปมันก็ตายยันไห แต่ว่าธรรมะนั้นจะเป็นตัวสร้างเกียรติประวัติเป็นสมบัติติดจิตวิญญาณของเราตกแต่งภพชาติของเราให้มีความประณีตขึ้ น, นระดับโลกียธรรมในขณะเดียวกันมันก็เป็นวา ส, สนาบารมีที่เก็บสะสมไว้ไปในจิตซึ่งจะทำให้โอกาสที่เราจะหลุดพ้นจากสังสารทุกข์จริงๆมันก็ใกล้ขข้นอันถ้อนอุดนี้บุคคลก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าจะเอาชีวิตไว้หรือจะเอาธรรมะไว้ พระกฏธรรมะเอาไว้ได้แต่ว่าชีวิตจริงๆเราจะเอาไว้ในวันนั้นแต่ก็เอาไว้ต่อไปตลอดไปไม่ได้เพราะชีวิตมีการแตกต่างเป็นธรรมดาตรงนี้ขึ้นอยู่กับปัญญามันมีมากพอต่อการจะวินิจฉัยหรือไม่เพรเรื่องสําคัญทั้งสองเรื่องถ้าปัญญาก็มีมากมีกําลังมากพอเขาก็จะเลือกเอาการสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะเอาไว้ เป็นคนที่เรียกว่าตัวตายแต่ชื่ อ, อยังอยู่เป็นที่เคารพยกย่องนับถือของบุคคลทั้งหลายอยู่เช่นพันธายนรสิงห์เป็ น, นต้นและเป็นคนที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะปฏิญาณรักษาภาระนาทีของตนที่จะต้องประพฤติกระทําให้ถูกต้องไม่มีความบกพร่องเมื่อมีปัญหาก็ประกาศตัวเองรับผิดชอบแม้จะเสียชีวิตก็ยอมซึ่งสมมติพันธายนรสิงห์ก็อยู่ต่อไปก็อีกไม่กี่ปีก็ตายอย่างได้ แต่ถ้าตายอย่างปกติธรรมดาใครก็คงไม่รู้จักชื่อพันท้ายนรสิงแต่ก็เพราะว่าตายด้วยเพื่อรักษาสัจธรรมหรือสัจจะปฏิญาณตัวตายไปแต่ชื่อเสียงเกียรติภูมิยังอยู่กลายเป็นแบบพิธีชีวิตของบุคคลมีสารไว้เคารพสักการะบูทบูชาเป็ น, นํำนานที่จะเล่าสู่ขานกันไปสู่ยุคต่อๆไปอีกเป็นนั้นมากนี่แี่ยิงก็เป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างที่เชีย่ยเห็นว่าผู้มีปัญญาจะต้องพิจารณาเอาก็จะเอาอะไรในจุดนั้นในขณะนั้นเราต้องเลือกแล้วเราก็เลยไปจนเรื่อยๆจนถึงแบบของพระพุทธเจ้าที่ถึงทางจะต้องเลือกระหว่างการเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิกับการเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นได้อย่างเดียวแต่พระเจ้านั้นทรงประกอบด้วยปัญญากว้างใหญ่ไพศาล มองเห็นอนาคตการันยาวไกลมองถึงประโยชน์ต่างๆที่ประชากรโลกจะพึงได้รับจากการศึกษาธรรมจากการปฏิบัติธรรมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเป็นพระพุทธเจ้าการศ ส, สรุของพระองค์และสุดพระองค์ก็เลือกเอาการเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งก็หมายความว่าเราก็ไม่ได้มีพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดขึ้นในโลก แต่ผลประโยชน์นั้นจะแตกต่างกันมากระหว่างการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิกับการเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องการเสียสละอิเลหรือการลดละกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือพยายามลดให้มันเสียหายน้อยที่สุดในกรณีนี้ในกรณีของการเรียนรู้วังเสียงเนี่ยมันก็พูดถึงว่าสังโยชน์เขเกิดแต่ว่าเกิดใ น, นข้อไหนเกิด เพราะการลำดับการเกิดไม่ใช่เหมือนกับลำดับการเรียงมันก็อยู่พื้นกับพื้นจิตของเราคือมันเกิดตรงไหนง่ายเราจะเห็นว่าคนบางคนมีจุดอ่อนที่เขาเรียกว่ามีจริตเป็นคนราคาจริตจุดอ่อนของเขาก็คือจะเกิดความรักได้ง่ายคนโทสะจริจุดอ่อ น, นเขาก็คือเกิดแบบโทสะนี้ได้ง่ายคนโมหะจรินี้จะงม ง, งายได้ง่ายคือจะหลงได้ง่าย ค น, คนสถาจริคนตถาจริตก็ชื่ออะไรง่ายๆคนผู้ทีจริตก็อาจจะเป็นเจ้าท่อยหมอกความมีเหตุมีผลจะต้องตกเถียงจะต้องมีวิวาทะกับคนอื่นคนไี่ตกใจเดียรคิดมากแกว่งไปแปล่งมาจับทิศทางอะไรไม่ได้ซึ่งอาจจะแกว่งไปในทางธรรมะก็ได้แกว่งไปในทางกิเลสก็ได้ก็ไม่รู้ตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์ในแต่ละขณะ แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือท่านให้มองในสายที่กิเลสมันเกิดก็พยายามลดลดไม่ได้ก็พยายามบั่นเทาบั่นเทาไม่ได้ก็คุมอย่ามันแรงเกินไปแต่จุดจริงๆเนี่ยทุงต้องการให้ดับมันดับไม่ทันนปกติมันก็ดับไม่ค่อยทันแต่ทํายังไงอย่ามันแรงนะักซึ่งธรรมะที่ ที่จริงแล้วแต่ละข้อเนี่ยกิเลสเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเขาอยู่จะยกตัวอย่างสังโยชน์สข้อมาเป็นสังโยชน์ประเภทที่สืบเนื่องใกล้ชิดกับโมหะถึงหมายความว่าเป็นอาการของโมหะแต่อย่าลืมว่าโมหนะนั้มันเป็นรากของกิเลสคือพร้อมจะเป็นโลภพร้อมจะเป็นโทสะเดียวกันกับเขาแล้วก็เป็นอาการของโมหะ ความเห็นเป็นเอตถือตัวถือตนถือเราถือเขาก็เพราะเราคิดว่าเป็นเราเป็นเขาการคิดว่าเป็นเราเป็นเขาก็คิดว่าเพราะมีเรามีเขาแต่ถ้าหากว่าใจไปเข้าใจความจริงว่าจริงๆไอเราเขานี่เป็นเรื่องสมมุติมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะจริงๆแล้วเราเริ่มจากไม่มีแล้วกลายเป็นความปีแล้วกลับเป็นไม่มีเริ่มจากการไม่เป็นแล้วกลับไปเป็นแล้วก็กลับไปไม่เป็นเริ่มจากการเกิด แล้ก็กลับก็ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและวในสู่ก็สู่ความไม่เกิดเกิดสู่ความตายก็สรุปว่าก็หมุนวนอย่างนี้การเป็นจริงๆจึ ง, จ ง, จงไม่มีเพียงแต่การเกาะกลุ่มของสังขารธรรมทางหลักยังมีสัตสดส่วนก็เป็นนั้นเป็นนี้เป็นน้นเราประกอบดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็บิญญาณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้สิ่งที่ประกอบดินน้ำลมไฟอากาศบิญญาจะต้องเป็นคนเสมอไป ต้องเป็นผู้หญิงเสมอไปเป็นผู้ชายเสมอไปอาจจะเป็นสุนัขก็ได้อาจจะเป็นแมวก็ได้อาจจะเป็นไก่ก็ได้อาจจะเป็นคนก็ได้เป็นเทวดาก็ได้อาจจะเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกก็ได้เพราะพวกข้านาได้กันโดยสรุปว่าการก่อคุ้มก็ดีหน้าลงไฟอากาศไม่ได้บ่งชี้ว่าจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันสัดส่วนในการประกอบการเข้ามันเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ทุกอย่างจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องสมมติ ตีการที่มีปัญหาเราไม่ยอมรับในแง่ตรงนี้เราปฏิยุติรเราปฏิยติรบเป็นจริงๆเรามีตัวตนจริงๆแล้วก่อให้เกิดการถือตัวถือตนถือเราถือเขาแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเกณฑ์ข่าห้ามผ่านประตูส้ายกันแล้วก็ผลท้ายปรากฏอะไรก็ไม่ได้อะไรต่างคนต่างทิ้งสิ่งที่ทําชั่วได้มาบ้างสิ่งที่ทําดีได้มาบ้าง เอาไว้ในโลกนี้แม้แต่กระดูกที่ส่วนประกอบเป็นดินน้าลมไฟอากาศมันก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้จริงๆเลยเฉพาะความดีกับความชั่วที่เป็นสมบัติติดจิตปิญญาตามลักษณะของปัจจัยการที่ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารปัจจัยเกิดปิญญาเพราะฉะนั้นจริงๆมันแต่ติดไปมันก็มีสามอย่างคือความดีความชั่วกิเลสกํามะ แล้วก็ผลของกิเลสกับธรรมะที่เรียกว่าสังขารแต่สองอย่างนี้มันก็มีมันก็สร้างขึ้นมาเป็นวิญญาณที่หยาบบ้างกลางบ้างประณิษบ้างก็ขึ้นอยู่กับกิเลสมากหรือกิเลสน้อยความดีมากหรือความดีน้อยมันก็คุณภาพของวิญญาณมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั่นวิจิกริชะความความเคร่ยดแกร่งสงสัยก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นอาการของโมฆะคือมองอะไรยังไม่ค่อยชัดเจน ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงแต่เรามองภาพว่ากิเลสประเภทนี้ก็คือความมืดอะเมื่อกับความมืดเราคิดแบบง่ายๆว่าวไอ้ที่มืดนะถ้ามีแสงสว่างมันจะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นเพิ่มแ ส, สแสงสว่างมากๆ ม, มันก็จะเห็นมากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมว่าของทั้งหลายนั้นมันอยู่หลายด้านเราอาจจะมองด้านที่แสงไฟมันส่องถึงได้แต่เราอย่าลืมด้านหลัง อย่าลืมด้านใต้แล้วก็อย่าลืมด้านบนคือต้องมองให้เห็นใหลายด้านทีนี้มองรอบด้านแล้วเราอย่าลืมด้านในของมันเพราะด้านในก็าอาจจะเป็นอะไรก็ได้ถึงบางอย่างข้างนอกประดับประดาวไว้สวยงามแต่ข้างในมีแต่สิ่งสกรปรกปฏิกูลอย่างแรกก็ลงศพหรือถ้าเรามองข้างนอกมันก็สวยงามประดับประดาวันทีก็มีประดับมุกราคาเป็นแสน สามารถสั่งบ้านเล็กๆได้หลังหนึ่งแต่ข้างในที่จริงมันก็เป็นศพถึงมีความปฏิกูลน่าเกลียดจะได้ประการต่างๆเพราะงั้นถ้าเรามองเฉพาะด้านนอกแม้จะมองรอบด้านแล้วก็ตามก็ยังคงมองเห็นว่าสวยงามอยู่มัาก็ต้องมองเข้าไปข้างในด้วยก็จะพบความไม่สวยงามหรือบางครั้งบางคราวนี่เรามองเฉพาะด้านนอก ก็เห็นเป็นของหน่ารังเกียจน่าขยะแขยงไม่น่าต้องการแต่ข้าในอาจจะเป็นอัญมณีก็ได้อย่างที่เขาพูดว่าภา้ากี่ลิ้วข่อทองซึ่งหมายความว่าถ้าติดอยู่ตรงภ้าคี่ริ้วมันก็จะไม่ได้พบสิ่งที่ดีงามหดอกนั้นแต่ถ้าพยามองให้เข้าถึงข้างในมันก็จะเห็นสิ่งที่มีประโยชน์ตรง น, นั้นจุดสําคัญของกิเลสกลุโมหะเขาตรงกันข้ามกับปัญญา ซึ่งมีลักษณะเป็นแสงสว่างเพราะงั้นถ้าใช้ปัญญาสอดส่องไปเรื่อยๆคิดจะมีเหตุมีผลไปเรื่อยๆมันก็ขจัดความเครียดแปรงสงสัยต่างๆลงไปได้แต่ย่างที่บอกว่าบางเรื่องโด ย, ยเฉพาะเรื่องที่เป็นอนดีตเนี่ยเราเกิดไม่ทันการที่เราจะพิสูจน์ด้วยปัญญาจริงๆบางเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพิสูจน์ไม่ได้เพราะเรื่องมันไกลเกินไป เหตุว่าพระเจ้าประสูทธ์มาแล้วเดินด้วยประบาทได้เจเก้าจริงหรือไม่เพราะนั้น ม, มีทางที่เราจะพิสูจน์ได้นอกจากเชื่อเชื่อใครก็เชื่อคนซึ่งเขาเห็นก็อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วคนตอนนั้นเองเป็นคนเล่าเป็นคนบอกที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เล่าว่าพระองค์เกิดมาแล้วเดินด้วยประบาทได้เจดเก้าแต่เล่าถึงมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ยเขมีลักษณะอย่างนั้นหมายความมันเล่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีต แต่ในการต่อมาแน่นอนพระองค์ก็เล่าได้พระองค์ตัดสู้แล้วพระก็รู้ว่าสถานะของพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายจะต้องเดินด้วยพระบาทที่เจ็ดเก้เสียก่อนจึงจะออกบวชและประทัดสรู้ได้แต่ยังไม่เดิน ม, มาถึงจุดนั้นมันก็ออกบวชไม่ได้ออกบวชอันได้แต่ว่าจะไม่ตัดสรู้เพราะอะไรเพราะบา ร, รมียังไม่เต็มพอตัวนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงบา ร, รมีตรงนี้เราใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ของวิสามัน แต่ว่าบุคคลที่สร้างสมบูรม์บารมีมาแต่ในขณะเดียวกันถ้ายังมีแหนงใจยังมีแครงใจไม่มีมั่นใจเราก็ใช้ศรัทธาคือเชื่อมันก็จะช่วยจับหลักให้ได้ทั้งสองอย่างเพราะจริงๆธรรมะทั้งสองข้อนั้นจะทัำหน้าที่ขจัดกิเลสได้ด้วยกันศรัทธาเองกขจัดกิเลสได้ทั้งโลกปดคงปัญญาเองก็ขจัดได้ทั้งโลกปดคงเพราะเราจะเริ่มตรงไหนมันก็ไม่สําคัญอะไร เพราเนื้อหาในการปฏิบัติธรรมะจริงๆก็คือว่าทํำยังไงกิเลสที่ยังไม่เกิดอย่าได้เกิดกิเลสที่เกิดแล้วได้ลดลงไปได้ระดับไปได้ก็ดีธรรมะที่ยังไม่เกิดทํายังไงจะได้เกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วทํายังไงจะดํารงอยู่แล้วก็เพิ่มพูนขึ้นนั้นก็คือวิธีปฏิบัติโดยสรุปมันก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่บางครั้งบางคราวเราพูดสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญานี่ถือว่าสรุปแล้วคือหมดแล้ว แต่ทั้งสาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าการพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นการพูดเรื่องธรรมะเพิ่มซึ่งหมายความว่ายังไงตรงกันข้ามคือกิเลสมันลดถ้าธรรมะเพิ่มแล้วกิเลสต้องลดเหมือนความเย็นเพิ่มแล้วความร้อนต้องลดนั่นก็คือสูตรแต่ตรงนี้เราพูดเรื่องกิเลสกระทำยังไงว่ากิเลสจะเพิ่มธรรมะน่ะเพิ่มแต่ละยิ่งดีกิเลสเพิ่มยิ่งอันตรายกิเลสยิ่งลดยิ่งดี ก็คล้ายๆกับความสบายกายกับความไม่สบายนะฮะความไม่สบายยิ่งเพิ่มเท่าไรเรายิ่งแย่ยเท่านั้นความสบายยิ่งเพิ่มเท่าไรเรายิ่งดีเท่านั้นกุศลกับกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะงั้นถ้าหากว่าได้ใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องคิดโดยเหตุโดยผลหรือบ้างคิดไม่ได้ก็สอบถามท่านผู้รู้หรบ้างแต่เราเห็น ว, ว่าในแนวการปฏิบัติกรรมฐานมันจะมีอยู่ข้อหนึ่ง ในการแก้นิวอนแต่ละข้อเนี่ยที่ยังมีสองข้อข้อหนึ่งทรงใช้คาว่าต้องคบหาสมาคมกับท่านผู้ใหญ่ที่มีความรอบรู้เป็นผู้สูตรเป็นครูบาอาจารย์แต่ข้าในเรื่องเหล่านั้นแต่ท่านเหล่านี้เราก็พบท่านไม่ได้บ่อยนักมันก็มีจุดหนึ่งคือคบหาการยานมิตร แล้ก็เพื่อนที่ดีที่มีเหตุมีผลมีความรักมีความจริงใจประพฤติกระทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเรามองอุกปการะต่อเราพร้อมพรที่ จ, จะร่วมทุกข์เรื่มสุขกับเราเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคู่คคใจของเรามันก็ช่วยกันประคับประคองได้บางครั้งเราสูเ้เสยจนจะหกล้มหรือหกล้มไปเพื่อนประยุงไว้เพื่อนประคองขึ้นมาได้ก็สู้ไปกันได้แต่บางครั้งเพื่อนมีปัญหาเราก็ช่วยกันแก้ไขได้ ่าทำให้วิธีชีวิตในการเป็นปัรมะมันก็มีอยู่คล้ายๆกับการสร้างตัวในข้างนอกรสร้างสถานะทางเศรษฐกิจธรรมะประชาชนตทัวต่วไปเราเห็นว่าต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้แจงแนะแนวให้ความคิดให้คำปรึกษาแม้แต่การประชุมผู้ ก, กรรมการในการบริหารต่างๆประชุมบอร์ดต่างๆมันก็แนวนั้น ถึงคนทํางานด้วยกันเนี่ยต้องมีความสุขจจใจต่อกันคือมีความรู้สึกผูกพันมีมิตรไมตรีต่อกันในธุรกิจการงานเหล่านั้นก็ดาเนินไปได้เพราะจริงๆทั้งหมดมันก็เรื่องของคนเรื่องของคนกับเรื่องของงานแต่ว่าคนนั้นเป็นทูผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงให้ดีหรือไม่ดีแต่การเปลี่ยนแปลงให้ดีหรือไม่ดีความสำคัญจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวคนเดียวอยู่ที่จิตใจของคนซึ่งถ้าเป็นคนกับคน มันก็มีเมตตาไม่ตียิจิตต่อกันถ้าเป็นคนก็เรื่องราวต่างๆเรื่องคําสอนเรื่องหลักการปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องใจของคนที่มีศรัทธาที่มีศีลที่มีปัญญาที่มีสติเน่หมายความว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ภายในใจมากพอก็สามารถที่จะลดสามารถจะบรรเทาสามารถที่จะสงบสามารถที่จะระ ง, งับสามารถที่จะดับ กิเลสนั้ น, น, นตามสงควรแก่กรณีอย่างน้อยที่สุดก็คือลดความรุนแรงในกล่าวเพราะเวลาทรงแสดงถึงเหตุเกิดของพวกวิจิกิจาเนี่ยก็ทรงแสดงว่ามันเพราะเกิดมาจากอายนในโสภณติการคือคิดไม่เป็นหรือคิดไม่เป็นระบบไม่มีเหตุผลเงื่อนไขในการคิดที่สำคัญอย่างยิ่งคือการคิดของคนเราในปัจจุบันที่มีปัญหาทางการศึกษา แต่ม้แต่การศึกษาในปัจจุบันเราก็มีหลักการจากการศึกษาเพื่อเป้าประสงค์ในการพัฒนาคนใน4เรื่องในสมเรื่องคือคิดเป็นทําการงานเป็นแก้ปัญหาเป็นถึงแน่นอนว่าในการคิดเป็นนั้นจะต้องดีด้วยในการทํางานเป็นนั้นจะต้องทําดีด้วยในการแก้ปัญหาเป็นนั้นจะต้องดีด้วยหมายความว่าต้องมีพื้นฐานของธรรมะเป็นหลักในการคิดในการทํางานในการจะแก้ปัญหา แต่ า, ากว่าบางเรื่องมันเกิดคิดไม่ทันหรือคิดไม่ได้หรือคิดไม่รอบคอบหรือว่าคิดไม่เป็นไปเลยปัญหามันก็เกิดขึ้นซึ่งว่าที่จริงแล้วถ้าหากว่าคิดทันระลึกทันเรียกว่าสติก็เกิดขึ้นทันในกรณีที่มันมีปัญหาสติจะเหมือนกับเป็นกำแพงกั้นกระแสเหล่าดันเอาไว้ อย่าที่พระอาทิตได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรสามารถจะเป็นเครื่องข้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากที่จริงทั้งอยากทั้งโกรธทั้งโลภทั้งหลงนั่นแหละแต่ท่านถามเรื่องความอยากเพราะปัญหา ม, มันท่องกันมาอย่างนั้นพระพุทธเจา้าทรงแสดงว่าสติเป็นเครื่องข้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากเอาไว้ตึงหมายความความโลภ เ, เองก็ใช้สติกัดกัน้น ความโกรธเองก็ใช้สติสกัดกัน้นความล้มเองก็ใช้สติสกัดกัน้นแต่ท่านถามต่อไปว่าความอยากนั้นจะล่ได้ด้วยอะไรพระเจ้าทรงสอนทรงแสดงว่าล่าดได้ด้วยปัญญาก็หมายความว่าจะเป็นโลภะก็ตามโมหกกมโะก็ตามโสดะก็ตามตัวการใหญ่เนี่ยมันมาจากอวิชชาซึ่งเป็นตัวความมืดปัญญาเป็นตัวแสงสว่างพรอการล่าดได้เด็ดขาดเนี่ยเด็ดขาดจริงๆต้องเป็นเรื่องปัญญา ดังดังนั้นจนึงทงแสดงว่าปัญญายักปริสุทธิ์จิแม้ผลระดับของการปฏิบัติธรรมะที่เป็นประยะบุคคลก็ทรงใช้ปัญญาเรียกว่าปัญญาบ้างเรียกว่าญาณทัศานะบ้างเรียกว่าญาณบ้างญาณทัศนะนศนะก็คือความรู้ความเห็นก็เป็นอาการก็ปัญญาเรียกว่าญาณก็คือความรู้เป็นปัญญ า, เ ร, า, า, ร เ, ญญาเรียกวิชาก็คือความรู้ก็เป็นปัญญาทั้งนั้นผลชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาจึงเป็นสุดยอดของชีวิต เป็นทีวิทที่สามารถจะป้องกันบาบัดปัญหาพัฒนาตัวเองรักษาสิ่งดีงามต่างๆให้ดำรงคงอยู่ศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาการปเะชิดหน้ากับอารมณ์กับกิเลสกับสิ่งต่างๆกับโลกนี่ถ้ามีปัญญาเข้ากำกับปุ่งามีสติปัญญาเข้ากำกับก็สามารถที่จะป้องกันบาบัดกิเลสได้ ตามสุขุนต่างกับปริมาณก็ธรรมะเหล่านี้เขาสูงขึ้นเขาจะมีสมรรถภาพในการป้องกันในการรบับบาปกิเลสได้ถูงขึ้นซึ่งหมายความว่าแม้ธรรมะการเพิ่มขึ้นของธรรมะการรักษาธรรม ะ, ก, รร ก, รรมะก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วยต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป